นอกจากใจไม่มีอนไรจะอบรมเพราะใจเป็นหัวหน้าของกายวายกาทำทั้งหลายย่นลงถึงใจมโนอุพพังคมาธรมามโนเสถ่า ม, ามโนามโนายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจย่นลงเป็นหนึ่งย่นลงเป็นสองก็กายกับใจย่นลงเป็นขยายออกเป็นสามกายวายกายใจขยายออกเป็นสี่ก็ธาตุสี่หรืออริยสัจสี่ ขยายออกเป็นห้าก็ขันห้าขยายออกเป็นหก็ตาหจูจมูกเลี้ยงกายใจหรือขยายออกเป็นสี่ก็สติปัฏฐานสี่ก็พูดเรื่องกายกับใจเท่านั้นถ้าย่นลงมาเป็นสองก็พูดเรื่องรูปกับนามเท่านั้นโนปังเรียกว่ารูปนามังแไปลไว่าชื่อมันรูปคืออะไรดีน่าเฟโงจนกันกเป็นกายเรียกว่ารูปรถเป็นไทยมันเป็นของไม่ยาก ผู้ใดเขาขอเข้ามาโทษผู้นั้นไม่อนุญาตให้เขาผู้นั้นหมกเวนไว้ในโลกของพระบรมศาสตราที่ไหนที่พระบรมศาสตราไม่เทศนาไม่มีเลยมหมดแนวจึงยืนยันว่าสัทังสาพยัญชนะงเกวราปาริคุลนางปาริสุทธังพรหมจริยังประกาเสสิก ตมหาพระกบันตมมังมภูริยามีตามหาพระกบันตังสีรสานิวามิตามหารรมทำมางสังคังก็เหมือนกั น, กนไม่ได้กราบไหว้แบบโง่ๆนะพระบรมศาสนาถามพระราหุลหาโอบายสอนลูกว่าพระราหุลกระจกมีไว้ทําไมสําหรับส่องดวเงาหน้าพระเจ้าข้าปัญญาก็เหมือนกันมีไว้สําหรับใขร้ครูน พระบรมศาสตาผู้ใครควรทำเป็นผู้เจริญผู้ไม่ใครควรทำข้อตรงกันข้ามธรรมกาวังพระบวชหัตวตกผู้ใครควรทำเป็นผู้เจริญผู้ไม่ใครควรทำก็ตรงกันข้ามผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขณะจิตหนึ่งก็ยังดีกว่านึกไปในทางอื่นด้านล้านณขณะจิตเรียกว่าศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นต้นศรัทธากับปัญญาต้องมีก่อนเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักทําไมจึงเชื่อในพระพุทธพระธรพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรมพระสงฆ์สอนเก่งกว่าชาวโลกทั้งปวงแล้วเหนือโลกใดๆทั้งปวงเข็มทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในานาทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใด คำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่ก็ผู้รู้ได้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็ผู้เชื่อได้ไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเลยเทียบในทางลึกเทียบในทางลึกซึ่งเพื่อให้คำหนึงไล่หลายทางน้าห้น้องครองมือบางต่างๆในลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชันใด คำสอนใดๆก็ไหลลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับู้รู้ได้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อได้ไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเลยพูดเข้าข้างทำถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราตถาคตก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนตถาคต จึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นจึงเขารับทำรบบแแบบแจบจุมสัทธทโมขโนกาตาบูโลกีโลกุตระเราตถาคต ร, รู้หมดแล้วเราตถาคตปารธนาเพื่อสร้างบาระเมมามีอยู่สามประการข้อหนึ่งพุทธถจริยาทรงสร้างบาระเมมาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สองอยารตถจริยาเพื่อสงเคราะห์ญาติสาวโลตัตถจริยาทรงสร้างเพื่อสอนโลกจึงทรงพระนามว่าโลกเวทูเมื่อบริบูรณแล้วโลกเวทูอนุตรโรปุติสะธรมรมสาสตทิตัดสาเทวมนุษยานังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครจะสอนยิ่งไปกว่าเราเลย ทำคำสอนเล่าก็เป็นโลกุตะโดยจงเจนเป็นอุดมคติหัวจักไปในตัวดึงวัตถุนิยมไปในทางบริสุทธิ์อีกด้วยไม่ใช่ดึงวัตถุนิยมแบบมีฆ่าหรือแบบมียาพิษเครือบน้ำตาลวัตถุนิยมของพรบรมศาสราเป็นวัตถุนิยมล้วน ไม่ใช่ยาเพคเครือบน้ำตาลอุดองคติก็เหมือนกันเพราะหัวจักดีหัวจักคือความประพฤติคือจิตใจที่ประพฤติดึงความประพฤติทั้งปวงไปในทางที่ชอบจนถึงมรรคผลนิ้่านมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเนิ้ผ่านสมบัติมรรบุญแล้วเหตุ น, นั้นจึงเป่สชิฮานาทในพุทธบริษัทสิานาทังนะทันเตเต พริษฐาน้อยสาธาธาพระมัจจังประวัตเตียนติเตนตัวนี้ตัวต่อตักโรเกอปฏิบัตียงจึงประกาศโรคไม่ขั้นข้ามเลยพระบรมศาน า, า, านัเพราะเหตุใดสิ่งใดที่เราห้ามถ้าพวกเธอไปล่วงละเมิดมันก็พิจยิงริงเหตุนั้นเราจะไม่ขัานข้ามในธรรมะสิ่งไหนที่เราบอกว่ามันเป็นทางเจริญพวกเธอไปปฏิบัต มันก็จเจริญจริงๆตามส่วนควรค่าของเหตุออที่ทําน้อยระมากเหตุสมัมปทาถึงพร้อมด้วยเหตุผลสมัมปทาถึงพร้อมด้วยผลแล้วไม่ได้พูดแบบบ้าบ้าบมบ บ, บ, บ, บ้านํารายเลยมีเหตุผลถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ทําำ ม, มีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำไม่มีใครทําลายธรรมะได้เลยไม่มีใครทําลายพระพุทธศาสนาได้เลย ใครทําลายพยรนะพุทธศาสนาก็คือทําลายตนเองนั่นเองนะเพราะพระ พ, ระพระุทธศาสนานะอยู่ที่ดวงใจของแต่ละท่านแต่ละคนผู้ใดทาําลายก็ทําลายจิตใจของตนนั่นเองนั่นนั่นนั่นนั่นเพราะพระพุทธศาสนาอน่อนลงถึงใจรัตที่อื่นก็เอ่อลงถึงใจเหมือนกันแต่มีเหตุผลไปต่างกันสวนมนุษย์สมบัติสอนสวรรค์สมบัติสอนพรหมสมัติมนุษย์สมบัติคืออะไร อวัยวุกทุกประเภทให้เธอทั้งหลายเว้นซักถ้าไม่เว้นก็เป็นมนุษย์ิบัติหนักนักหพักปรบรมศาสตร์เอ้าธนาคารอวายมุฒอยู่ที่ไหนมีเห็นแต่มันคลานอยู่กันไปไม่ไหวนั่นนั่นนั่นคาดคานได้ไหมทำเป็นโลกกระบาลคุ้มครองโลกสองอย่างเพราะนาอายต่อบาป ความกลัวตบาะเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้เพลียงเพลียงเพลียงเลยพระบรมศาสดาถ้ า, มาไม่อายตบาะไม่กลัวตบะเนี่ยวัดหมายจะตั้งกี่นล้านมันก็ไม่อยู่นั่นพระบรมศาสดาทำความผิดในที่แก้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับนั่นนั่นนั่นนั่นพระบรมศาสด า, าจะมีกี่า้านพระองค์ก็มาสอนอันเดียวกันมนุษย์สานังสัจทะเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาในมนุษย์ทั้งหลายนั่นนั่น ใครจะทำลายความดีมันก็ทำลายไม่ได้ใครจะทำลายความชั่วมันก็ทำลายไม่ได้มันมีอยู่ความดีก็ดีความชั่วก็ดีมันมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นของกลางอยู่ส่วนผู้ไปทำผิดมันก็หมดไม่เป็นผู้ไปทำถูกมันก็หมดไม่เป็นนั่นจนถึงมหาวิจีนะลูกผู้ไปทำผิดก็หมดไม่เป็นผู้ไปทำถูกก็หมดไม่เป็นนั่นนั่จนถึงพระเนผานนั่น ใครจะเก่งสักเย่างไหนก็าตามก็เอาคำสอนพระพุทธศาสนามาเป็นคำสอนของตนนั่นเองกาตับนกยูงเรื่องกากับนกยูงไปเก็บเอาขนหงอนขนหางของนกยูงที่ร่วงหล่นอยู่ตามป่ามาแทรกแซงขนของตนมินำซ้าตัวข้างมันก็ร้องกากากากากาอยู่นั่นเองใช่ไหมเราพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าแต่งคําจินตควีหรืออะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วก็เข้าใจว่าตัวเก่งไอ้ที่เทมันก็ออกไม้จากคําสอนพระพุทธศษษาสนานั่นเองถ้ามาไม่มาในทางตรงมันก็มาในทางอ้อมแต่ไม่รู้ตัวเฉยๆสิ่งที่พระบรมศาสด า, า, าไม่สอนไม่มีเลยนั่น น, นันนนนสอนวัดนี่อ้าทวทวงมาดูดูสิ่งไหนไม่สอนไม่มีอบายามุขทุก ป, ประเภท เป็นเหตุให้ชิบหายในทางวัตถุนิยมและอุดมคติก็ชิบหายไปด้วยอุดมคติคือจิตใจเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นกลงจักว่าเป็นดอกบัวเห็นเจ้าหัวเข้าไปผูกเอาเลขมันก็พ่าจริงๆความเห็นเช่นนั้นเป็นที่พึ่งของตนได้แล้วหรือยังก็ไม่ทวนดูอีกเจะด้วยเนี่ยว่ามิจฉาทิฐิความเห็นผิดสัมมาทิฐิเบื้องต้นคืออะไร คือพระโสดาวันอ้าวความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะพกครองโลกได้ถ้าไม่มียาอายต่อบาไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วมันก็ไปร่วงละเมิดสินห้าใช่หรือไม่นั่นมันอนามานบวงสรวงบวงสรวงทะเลเลือดทะเลทุกอยู่ทุกวันนี่ก็พระไปยินสินหา้าใช่ไหมนั่นนั่นนั่นถ้าไปยินสินห้าแล้วก็ บ่วงสวงสังเวยเลือดนอนอยู่กับโลกเห็นไหมนั่นถ้ามีเส้นห้าบริบูรณ์ชาวโลกกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากตั้งภาษีอากรนั้นก็ประมาณก็พอแล้วนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของท่านผู้ฟังและท่านผู้พูดเพราะผู้ว่านั่นก็เป็นผู้ผู้เขาเอาใจพูดผู้ฟังก็เอาผู้เอาใจพูดเทศก็คือ เทศเรื่องใจฟังก็ฟังเรื่องใจผู้ฟังเทศก็เอาใจฟังผู้เทศก็เอาใจเทศดกกรงก็ใจก็เทศผู้ฟังก็เทศเขาไม่รู้ว่าใครเป็นนักเทศเอกนักเทศเอกมีอยู่ทุกท่านทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วอยู่ทุกท่านไม่ลำเอียงเลยเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหานังหเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุฟังผลก็ฟัง เหตุเข้าใจเหตุผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจนัดเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะปฏิเสธว่า ก, กรรมแล้วผลก็กรรมไ ม, ม่มันจะถูกไหมมันก็ไม่ถูกสิเราปฏิเสธในเรื่องที่เราครบไม่เจดมันก็ไม่เป็นไปตามเราปฏิเสธด้วยเช่นเราบัญญัติว่าอบายมุกเป็นของเจริญอย่างนี้ เราบัญญัติผิดใช่ไหมนั่นไม่สมเหตุสมผลเราไปบัญญัติว่าบราเพชดมันหวานอย่างนี้มันหวานเหมือนเราไหมนั่นเราไปบัญญัติแห้มันไฟไัเป็นของเย็นเราไปบัญญัติอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันเป็นของร้อนไฟมันบัญญัติผิดอาใบยมุก็เป็นของเฉียบหายมุขะมุขะแปลว่าเฉียบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากหรือเป็นปากเป็นทางอย่า ง, งความเฉียบหายนั่น นั่นนั่นนั่นนั่นใส่ไม่เอทนั่นใส่ไม่โทเจ้าไว้ไม่ไม่ต้องนั่งไกลนั่งดูใกล้ๆเนี่ยนั่นนเอ้าถ้าชาวโลกมีศีลห้าบริบูรณ์ทหารมีไวทไ้ทําะไรตำรวจมีว่ายทำอะไรชั่วสวนมีไว่ายทำอะไรกระทรวงกลาโหมทําทําไมไม่ต้องมีก็ได้ขายของก็ไม่ต้องเฝ้าอ๋อ ลูกใครมีอาคารไปด้วยกันก็ได้อันนี้หลุดมือแล้วก็เป็นอันอื่นมาเลยอีพ่ออีแม่เอ๋ยคุณพ่อคุณแม่เออถูกไหมโกโหกกันก็เก่งเหมือนกันถูกไหมบางทีก็ไม่นี่สักครู่ก่อนโกโหกก็เก่งไปยุ่งเหยือกับอะไรต่ออะไรมาแล้วห้านาทีถ้านด้านาเรียบร้อยเลยนั่นนั่น ในเรื่องอันอื่นก็เหมือนกันทุกๆเรื่องเอา้าชาวโลกมีเท่าใดทุกวันนี่ชาวโลกประมาณห้าร้อยห้าร้อยล้านห้าพั 5, ล้านกับประมาณห้าพันล้านประมาณจีนก็พันล้านแล้วคนห้าพันล้านนั้นมีชิ้นห้าสักพันล้านไหมคงจะจุดๆไม่มีอ้าว ประเทศไทยของเราประมาณหกสิบล้านคนมีสินห้าพอ1สิบล้านคนไหมคงจัชฉลอยจักใช้คำว่าฉลอยฉลอยจักไม่มีมีพอสามล้านคนไหมก็คงจัหรื อ, อยังไงก็ไม่ทราบทีนี้ิงเท่านี้เป็นหน้าที่ควรคิดทั้งนั้น <บ> <PTSD> อพระบรมศาตราแต่งกฎไม้ก้หมูก้พนผักก้พวกไม่ได้เข้าข้างตัวเพราะอย่าใดเพราะองค์ทำไมมีก well. ิเลสทุกยุคท<ๆ>ุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกตรมาเป็นยุคยุคยยยจะมาข้างหน้าก็ร้อยมากกว่าร้อยโกตรอีกเหมวันกันเป็นยุคยุคยุก็มาสั่งสอนอันเดียวกันเมื่อด้รบลดางพหลรบกันเลยเพราะวันถูกพอแล้วไผลออดี้มาเท่ กเห็นเอาดิไไนไงก็เห็นสมนม่ําแม่นเเห็นบ่อเอาละยารับดิ้งแคกระเงช้างดับเอาตัวดิ้งมาย้อนเงกระพไปเอ <c oughs> าตัวดิ้งมาย้อนในเร่งกระโพ ด, ดไปเนาะมเห็นมาเห็นเอาละมเห็นกระหายนออเขาพักเขาเลยจะอไปหาตลาดจ้งปตลาดมกับท่านน่ะ คนมีเยอะนี่พูดได้พูดเอาหนีถูกไห ม, ไมถ้าไม่มีเสี้ยนห้าจะตั้งกฎหมายขึ้นหมื่นข้อรานข้อพันรานข้อมันก็ไม่อยู่ชาวโลกนับนับนับนับนับนนับชีลังโลเกออนุตตโรเสีลเป็นเยี่ยมในโลกพระบรมชาลาชีลังโลเกอนุตตโรเสี้เป็นเยี่ยมในโลก ชี้เลยนสุกติยันติบุคคลจะบอมนิสุทธ์เป็นชั้นๆไปก็เพราะศีลชี้เลยนะโพคสัมปทามุคคลจะมีโภกสมบัติไม่เดือดร้อนก็เพราะศีลชี้เลยนะนิพพุตติยันติจะถึงพระานก็เพราะศีลเหตุนั้นการสังขารนาขั้งที่หนึ่งจึงสังขารนาศีลก่อนให้พระอุบาลีเป็นผู้อวิสัชนาะ เพราะท่านแตกฉานในศีลคนอื่นไม่แตกฉานหรอกหรือก็อกกแตกฉานอยู่แต่ไม่เหมือนพระอุบาลีศีลตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันตกลงศีลสมาธิปัญญามิได้อยู่คนละมุมโลกอยู่ในกลมกลืนกันเหมือนหน้าเหมือนตาเคยเห็นหน้ากันอยู่ แต่ว่าเห็นตาเห็นแก้มเห็นจมูกเหมือนกันจะพูดรักสอนย่อมันก็อยู่ด้วยกันจับหนังก็ถูกเนื้อถูกกระดูกเหมือนกันแล้วก็บอกว่าจับหนังไอ้ที่เท้าก็ถูกเนื้อถูกกระดูกเหมือนกันนัดทำทั้งหลายสัมพยุตกันอยู่ในตัวย่นลงมาเหตุนั้นทำของพระพุทธศาสนาจึงย่นลงมาในปัจจุบันปัจจุบันนันจโยธรรมังผู้ใดเห็นทำในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนง่ายคอนเคลนเลย เราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณานา้ำน้าจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงจะมีมันไม่ถูกมันมีอยู่ในปัจจุบันแล้วถ้าไม่มีอยู่ในปัจจุบันเราก็พิจารณาไม่ได้นั่หนึ่งสงสามสี่ห้าก็สั่งสามสี่ห้ามีในปัจจุบันแล้วจึงนับได้นัน่ผู้เชื่อพระพุทธศาสนาก็คือผู้มีที่พึ่ง ก็คือผู้เชื่อ goodness. ตนเองนั่นเองผู้ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาก็คือผู้ไม่เชื่อตนเองนั่นเองธรรมัญโยตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัตถัญโยตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้อัตถัญโยตาเป็นผู้รู้จักตนว่าแล้วว่าโดยชาติตระกูลยู้จักสมบัติบริวารและความรู้คุณธรรมเพียงเทええ่านี้เท่านี้แล้ว ควรพูดตัวให้เป็นส ง, งการสงควรที่เป็นอยู่อย่างไรมัตตันยุตาเป็นผู้รู้จักแสวงหาเครื่องหรือยังชีวิตแต่โดยทางที่ชอบการันยุตาเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควรอันประกอบจิตนั่นนั้นบริสันยุตาเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกิริยาที่ประพฤติต่อประชุมชนนั้นๆว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทํากิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นเจตุคณะประโรปันยุตตาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่า ผู้นี้เป็นคนดีควรคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบเป็นต้นนั่นั้นนั่ น, น, นคำสอนพระพุทธศาสนาสอนหมดเลยไม่มีที่แซงเราเอาของท่านมาเลี้ยมก้างเฉยเอาทรัพย์เศรษฐีมาเป็นทรัพย์ของตน เ, เมื่อยังไม่เป็นพระนารหันต์ก็มันก็ทับถมทั้งดอกเบี้ยด้วยทั้งทุนด้วยเมื่อเป็นพระนารหันต์แล้วจึงจะได้ใช้นี่พระพุทธศาสนาหมดหนักหนักนักหนัก นนอ๋อในระหว่างผัวกัเาเมียรพระบรมศาสต ร, ราก็สอนหนึ่งด้วยยกย่องนับถือเาเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยประพฤติร่วงใจสีด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวหน้าที่ของสามีหน้าที่ของภรรยาทีนี้หนึ่งจัดการงานดีสองสงเคราะห์คนข้างคนข้างเคียงของัวดี สาไม่ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ก็ห้าขยันไม่เกียจคร้านใน ก, นการทำปวงถ้าผัวกับเมียมีคนละห้าข้ออย่างนี้แล้วการทะเลาะแหาแวงจะมีมาจากประตูนในร่ามันมันก็ไม่มีผัวเหรียนเวียเมียกระต่มใกล้คายมันกับยิตัวเงยนเราเสั น, น, น, น, น, นผัวคนฟินเจ็บกินกบยาเพื่นว่า หัวกันซ่าขีกับบันชีข้ามเมียนขีเท่าหัวขี่เห ล, าเล่าพับรถเช็ดน้ำร่านพระพุทธเจ้าอพวกเท่าโลกเขาว่าเมนแต่ว่าท่านมาผนก็ว่าอีกก็แ ม, น, น, ม, ม, แมนอีกแมนบอกนั่น <c oughs> จินเรามาๆๆว่าเนีมึ่อจะพูดแปลว่าให้กู้พี่พูดไป ว, ว่ามึ่พูดเพราะเพอาะว่าเอากระทาอะไร เพาะเขาคันระวัตระเลาะกันนะสามารถดวงระเบิดได้บัดอันตัวเรานี่ก็ได้กันเดี๋ยมว่าสามารถดวงระเบิดได้บัดอันสินทางหาคอ่ะอันปลาหน้าที่บาดก็คือกัน่ะแตสามารถดวงระเบิดได้บัดคือกันนะอันนี้อาทิตย์หน้าท่านก็คือกันไฟลูกไม่สีไฟลูกเดียวคันเท่าไปเผาบ้านเผาเามันก็มาอยูบัดคือกันนั่นแหละสามารถดวงขอนึงได้ก <candid> ับควงขอนึงใดบัดนะท่านอะถว่าจะได้สัญญา เราหน่อยเพราาพ่อค่ายว่ า, า, าร้ายเป็นโทษเมื่เหลี่หวังปาฏิาริย์ดีใช่ว่าเป็นโทษมันกั บ, บเปลี่ยนไปอะไรกันก น, นั่นนั่นท่ามชั้นสูงยังไม่อีกท่ามชั้นเบื้องต้นของพระพุทธศาสนามีอยู่จริงนี่ภูมิคําวัสดาบันมีอะไรมากที่เรียกว่าสูเปอร์จินโนสูเปอร์จินโนเป็นพรมัญญะเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาหนึ่งไม่ใช่ในายลุงละเมิด ศาสนาอื่นสองไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสีนห้าสามไม่ใช่ดายร่วงละเมิดอบายมุกสี่ 3. ไม่ใช่ดออาา 4. ไชด้ยอยากกระจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรมึงเถอะกูไม่ได้มึงเลี่ยมนั้นกูจะเอามึงเดือมนี้ไม่มีในพระโสดาบันเคยได้ทําผิดเข้ามาแจ้ชาติก่อนหรือเขามาทําใหม่ก็ให้แล้วกันเปรซักเราจะไม่จองเวรท่านผู้ใดอาขาาจองเวรชีไปตเชื่อผีมีในใเรา มึงเถอะไม่มีพระโสดาวันเรียกว่าดับเวีนดับภัยแล้วสามไม่เสียดายอยากกระถืออยู่โยงคงกับพันถือไม่ถือเลือกดียามดีด้วยเก็บป่วยมาก็ไปหายามารักษาหายก็าหายไม่หายก็าภาวนาตายนะภูมิพระโสดาวันแล้วไม่ครอบเม็ดชั่วแล้วไม่ให้กระเทือนเขาด้วยเขาเอาสุลามาให้กินจะทำยังไง ครับขออภัยด้วยเพราะเป็นโรคโรคอะไรเราไม่อธิบายโรคคิดหายนั่นเองกัการทะเลาว่าเกิดโรคต้องเตรียมแม่ลู้จักอายถอนกําลังปัญญานั่นเองแต่เราไม่อธิบายเพราะมันจะทะเลาะกันครับครับขออภยัยเป็นโรคว่าโรคอะไรโรคที่ <c oughs> ที่มันโรคคิบหายนั่นเองโรคมันขี่เมาเนั่ยเองเข้าวหลังมาเขาก็ไม่เอาไปให้อย่าไปเอาให้มันหัวนัง อย่างว่าเขาก็เทรถหัวเราก็ให้เขาซะทีหลังเขาไปทํานอกสู้ๆสู้ๆหมอนั้นอย่าไปไปรบกวนมันถ้ามันอยู่ตามภาษามันตอนนั้นะอันนี้ถ้าเขาเอื้อมือมาให้เราก็มองเขาอยู่เก่งว่าเราจะไม่มีค่าทีนี้กูไม่มีค่ากหรือกําลังดื่มชุรานี่ทำไมจึงไม่เอื้อมมือมาให้กูมันก็นึกอย่างนั้นมันก็กินสิถูกไหมนั่น ถ้าเขาไม่เอื้อมือมาให้ตนเราเขาตนคนนึกโกรธให้เขาว่าตนเป็นคนไม่มีค่าใช่แล้วนั่น น, นั น, นเรารดูดีเรื่องนี้ <laughs> ถูกไหมมีอาผู้หนึงอยู่ทางอุดอรไปล่อหมูมา ก, กินเราชั่งขึ้นเงินมีเงินอยู่สองสามรอยมีอาคนสลาดแด่เม่อะคนสลา ด, ดทีด่ชุดนาง หัวกับเอาคนมากินเราเฮือนถือถืออยู่ไก่เอามาสองตัวเซตขอเมี่กับนาเสมอมี่พ่อกินอี ม, มั้งละพูดหลับเกียเ่ยบที่อังคุณเลยจังแล้วกันจำถวยก้นถวยย่หันกูพูดมึงพู ด, ดยุหันเอากันยุหันเพราะร่องเฮือนนี้มั้งล่ะเพราะพอยี น, า, นางเลยท่านจะไม่คอยเครียดให้เจ้าร้ายเมื่อนอี้คอยอดเอ า, าคอยท้าท่านาเสมอเกือบตายได้ไว้จัง ไปซื้มใเสี้ยวหัหหาลุ่นให้ชาวสวนพอชาวมาอีกเน้อว่าสันเงินมัดจะได้ไหมจังจักตต่างเดียวหิว่าสัน <c ười> ที่หลัง่ากับเชดตายแล้วมีอามันสลาดด้วยว่าซื้อมเสหวอู้าเก็บวัวผัอนี้คอยกั บ, กบเข้าแล้วว่าสันผัวผหนึ่งก็กินเลาัวผัหนึ่งกินเราฟอนละบานบ้าเ็ด อันนี้นก็เห็ดบัตเหว่าแ ล, แลแรบลีดปีนตาก็เ็ดบัตเหล่าั่งอันนี้นแก้ผ้าอ้อมบ้านบานีผู้ได้จากสือห็นาหขายู้ได้จากพูได้จากสือเห็นไเอาจะขายอะไรฉันขายมัดโตนี่แหละ น, นึกหน่อยก็ น, น้ำแห้ผู้สาวผู้แก่ก็ น, น้ำแห้หัวยิมยิมอ้อมบ้านฟ้อนฟองแก้ผ้าถิ่มยึดใชบปล พามูเดียวเขาไปเจ็บมาหายอันนี้พ่อผัวมึงฟอนอ้อมบ้านวะฉันแก้พาแล้วยานั่งเลยวะฉันแม่นี่ดีเปล่าวะฉันแม่นี่ดีนะว่กหย่านแม่น่ายว่าฉันแบกไปฆ้านไปแล้วบาดเนี้ยแบกมาฆ้านไปไปยืนว่าพอหอดพออ่อพ่อยานางวะฉันเจ้าเฮ็ดทั้งสี่เจ้าก็เฮ็ดข้ายหนาคอยแล้วว่าฉันขัดอยเอาล่องทางยำน้อยเนี่เสเซฟได้เจา้าว่าฉันคอยเห็นว่เอาดอกว่าฉัน แล้วคันเจ้าสะเฮ็ดกันเสียล้วพนะิม่าเมื่อบ้านพิม่าป๋ากันเฮ้าเี้ยไปสันเอารอไม่อย่งกับปันนป่นเงนเช่าไปสันได้จำไม่ไปสันอันเจ้าจากนุ่งกางเกงคอยกับซื้อคอยก็ยอมให้ซื้อมาอันนด้เอือตปรยากบรนนุงมันนุงผ่าไหมก็ไดผ่าสโลงกรเป็นไปสันไ่มีมัดอยู่ในเคื่อเฮาไปันเจ้าไปยังมาเฮ็ดคาหนาคาตาอยังเสียันอันมูเดียวแล้วเอาผามาให้นุ่งกขาเลยนุ่งเน เราคุยกันไปเมื่อ้านแยกกันมื่อนี้ละคองเอาอะไรกันวัฒนธรมวิวัฒนกันละว่าฉันแต่นั้นมันเค็ดตายกลัวมันชูปัญญามันมาได้ได้บ่กกินเหล้าเท่าเสมอเล้ตายฆ่ากันนั่นเมียกันดีด้วยเมียดีก็กลัวมันนะสมเมียสมสมเมียบดีหันเนยมือได้เพื่อยุหันเนี่ยรู้นว่าอะะันเชื่อใจว่ได้วัน เขามาเชี่ใจว่อะไรก็เอาอะไรเนาะไ่ต้องบอกเนาะเป็นหลายอันนนเขาพระพุที่เจ้าสอนดีว่าหละเนี่ยขันมีเิ้นหาบริบูรณ์เนี่เอาฮะเนี่ยย้อนย้อนมาเอกกันนในประเทศเท่านะั้นมีคนหกิบลาาประมาณตั้งกฎหนไมาเน่ยมี ม, มีมีตะกคนท่านเนี่มีประมาณสักสามรอยคนวะหรือสี่รอย ประมาณ400สี0รอยคนเลยสามร้อยคนสามร้อยเกาเชี่ยผาคนสามรอยเกาเชี่ยผานี่ิ้นหาเพราร้อยคนมาสังของห้องยานจะจะฟันพ่อเสียงดอเพราะไ อ, อม่อมเขาว่านักนักนักแล้วที่ให้มันที่ปัญหาสันติภาพม่นจะใช้สันชิ้นหาแบบนีมันกลจกาจากมจะภาพจะภาพเรื่ต้นโรกอันนี้แม่บอกชอาลาดบางหลวงมันก็มาจากไซสัน ตัวบุคคลตัวบุคคลมโนนมันมากับอไรมันก็มาจากรองละเมิดสีทธิ์หารตัวนั่นนั่นคุกกับว่าตองนีตลรางกับว่านี่ตองนี่ขันมี่เสียนาบริบูรณ์นั่นนั่นบุคเพราวาคนทำศาสนาให้เสื่อมเนี่นเอ้าคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นท้ายก็นี่เนั่นอันชุปพุทธะเนี่ยนี่อันชุปอาพุทธะก็เป็นพ่อเทาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยห่เียร่าพระพุทธเจ้า ป้าม่ยทองโตป้าลูกของโตไปบวชชิ้าชิ้าทิมชิกาูกเคยทิมชิ้าพระพุทธเจ้าทิมพระเทวทัตก็หรือไมสิ่งตำแหน่งพระองค์เจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแท่นพบข้องสงพระพุทธเจ้าพระทรงอนุญาตให้มันผพดพุทธทาวาสยเท่ากับปารธนาพระพุทธเจ้าว่ามันว่าไม่นาที่ของโตตัวก็มีเกีเยตมพุกเงินน่ยนตัวที่ปฏิวัติตัว ตัวเสียมาปกะกอบสงอย่า ง, างไนงพระพุทธเจ้าก็เลยบุญไปกันไล่อะไรนะเนี่ยเกิดอะสีย่าทําลายพระพุทธเจ้ากับทำลายบ่ได้เนี่ยนั่นยิ่งทำลายพระพุทธศาสนาก็ยิ่งพระพุทธศาสนา ก, ก็ก็ยิ่งเด่นขึ้นเนี่ยวันขันว่ า, า, ามีพูดทําผิดพระพุทธศาสนาก็บก็กับพระจริงเนี่ยวันเี่ยพูดทาถูกก็เป็นพระนารายณ์จริงมีพูดทําผิดก็ลกนรกจริงเด้มันจับถือเด้นํานนั่นนั่เลยว่าเป็นพรญาณพระพุทธเจ้าทั้งทาผิดทั้ ง, ง, งถือ ท้งผิดทั้งกรบอกอะไรเนี่ยข้าบอกข้าวหาเว้นทั้งถือขา้าวกรบอกไอ้เจ้าเล่เ น, นี่ยเนี่ยกัเป็นพญามพระพุทธเจ้าทัง้งทั้งสอนทางทัท้งทั้งทำผิดทำถือถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันนี่เขาไปยิงนกเขาังแต่อายุพานปียิงด้วยผูนะวัดกันไปถื่อมั่นในนกเขาตัวยวนะ่ะอลูกพุดึงออกตกก็แกวแกะวลงมา ตกข้างอันนี้ข้างนี้มัตอกตูมาเดียวมันก็ตายะมันข้างอันนี้ข้างนี้เดียกก็จคข้างงาไปตัวไกลเนี่ยถอดลุคูออกก็ก็ ๆ, ๆตายเลยก็ๆก็ๆซ้ำเลยะมึงเนอะกูกูกับอยู่ไม่ไอ้ื้อ ม, มันผิดอย่างมึงมึงมาเยี่ยงหอย่างมันสิว่าสาระคือมันจะวางอยู่ว่าอยู่ว่ากันนี่นี่นี่นี่สองพันห้ารอย สองพันได้อายุสิบห้าปีมันกัรละเบิดขึ้นอสอง2นหรยี่บสองเนียังนังน่านเศร้าต่อนเนี้เนี่ยเนี่ยพ่ น, นอยู่เดียวนี่นนนหัวใจตีบชงเลือดพท่านนัน่นไปโรงพยาบาลศรีนครินเกือบพท่านนัน่นนั่นไม่นาท่านไตกระบองนกลดไม่นาท่านไฟสายน้งกลดไตกระบอกนัน่าหจ เ, เค่อยเห็นตกระบองเด็กนอยกว่นีย้ยชงอย่างนั่ น, นนน กับโมมีผก็กับโมมี่เขากับวเชเยาขึ้นกันนะนี่ชอบกินที่ตับกบน่อย่างง่วอายุสิบสามสิบสี่ปีหากบได้ยำแรงกบยำแรงมันร้องไม่ขี้แค่เดือนนี้ปิ่งไอ้ไรเซ่อๆหรือว่าทัานเท่าห่ะถ้าเอาเอาตับกับกับโพชโพมันไปกินก่อนมันชิโพกบยมแรงมันมันร้ไม่ขี้แค่เดือนนี้ เดี๋ยวนี้เป็นโรคหักเป็นโรคถุงน้าดีอะไรเนี่ยนั่นนั่นนันเวน้นนนทาท่านไปกระบอกน้ํำก้นเลี้นบอกมาเนี่ยตอนงวัวจับงวัวตอนซอยเขาตัวหนึง่งตอนนั้นไปเหยื่อมันพียงตอตัวนั้นมันตอนแกพียเขาบอกว่าไปตอนงวัวซอยอ้าได้สูงกันพุ่มแห้งมาสังส่งสคนมาสัง่งบักเพิงพึ่งนังเงชี่ยวมึงม่งกูกะทีจับซอ ย, อยดอกมาสัง่งเพร่ะว่า เพราะเพิ่นน่าตัวแห้งมาสั่งดัวดเปี้ยเงยบเปียเงบมันเหรอเด๋ไปจับไปจับกระผูกคดหมูใส่แคบหมูห่อเคยเห็นหรอกผูกคคดหมูใส่ใส่แคบใส่แคบกับผูกคดหมูปั่มลงลูกอัน tha มันกร่ําเลยเขากลับมานีลูกอัน tha มันมึงยาส่หองเด้อมาสั่เพ่นไปว่าเพ่นพวกขะน้องเด้อสองพันสรอยเกี่ัรถทหารปีนั่นแะอืมึงยาสุ มึงจะสูห้องเนอะวัฒน์เพิ่นจะแปลงหูแปลงโสไหม ม, มึงวัฒน์คันมึงคันเ่นแปลงหูแปลงสสไหมมึงมึงไปซ่อนเขามันจอยมันขายบ่ อ, อวัฒน์เขาไปนีบบักไก่หามมันนะเนี่ยมันก็ฮ้องอูกอุกอุกทีก ด, ด, ดไปเบ้าเยอะยมันเหรียญถือไปคล้องสนุกยูมาสองันหาลอยยี่สิบสองมันก็มาแปลงหูแปลงสไ ม, ม่ห่อขนานี้ชิบพกปีเนี่ทรมานอยู่นั่น ถ้ามาท่านมาพาปรตัดเว้นำท่านใจกระบอกน้ํากลดบัดบัดออกบัดออกซ่อมนี้ยรัฐบาลเนี่เอาขึ้นมาได้ทีรับาลเนี่นยเอาขึ้นบาได้ทีอื่สารบไปไว้สารบไปย่อี่โทษไปหาพวกน้องพอกน้องพอกขาเจ้ามากขาเจ้าบัดซีดยาตื้มซ่าเขาเจ้าว่าต้องซีดยาแก้ปวดแผลล้งปูว่ะท่านถ้ามาศาสตรพราะเขาซีดล้งหรือไม่ ม่เดียวให้ในตาเขาไม่ยนหงหเนี่ยบัดดเขาฉีไทตัวสลบตัวมจักขี่หลังเรียงอย่างเพราะพ้นสีเครื่อเขาสีตือนไว้ชั่วหงมือข้าพุ่นเขาพาเรียบร้อยแล้วอยู่สีนัเรียนขอนแก่นพุ่นนั่นเ่ะเวน้ำท่านใสกระบอกน้าก้นเนี่ยเข้ายกอุท่าฮอดของเข้าแล้วเ้าเอาพื้นผื่นกับ่ววัญจะโกรธจะเขาแม่นบอกแม่นบอกอ๋อคพลดพกรรมบ่มี่ใเนี่ยจะว่าไปได้ไหม เรเจ้ า, ออจาของเป็นตัวย่าคาว่าผลของกรรมบ่มีผลว่ากรรม่งดีทังทํำทดีทําเสือบ่มีอ๋อเพียรส้าอุไปได้บุษันไปบุษะแม่นหม้อพวกกับมาขีไปได้บพษันอ๋ไปบุษะแม่นหม้ถือว่าบม่มีวาบ่มีบุญดีแม่นบม้ถือบ่มีคุณพอคุณเมย์ดี คือโมมีบาไม่บุญไ่มีพุทธศาส น, น, นาะขาหอดพระคนไปได้บ่าหเนีไแตกกระเจิงนั่นปัดกันกาบวัจิตปันปัเขาเงยหน้าแม่ได้อไปได้หรอมู้โตของเจาบอม้าขี่นกอ็นทร่มโตงจ้าบันกอินทรีกัเมีนากาเม้าขี่กััดเทียขาเจ้าก็ไปบ่ได้เนี่ยฝนก็กำกัแตกกระเจิงเนี่ยม่ได้รอนั่นั่นั่ น, น, น, น, น, น, นมูโต คนเสื้อกำแล้วพ้นขอ้อกั่มแล้วก็เสือกถ้ำตะกั่มอันมันดีเนี่ก็เป็นคำสอนอภูตเจ้าเนี่วบอก่านว่าัขนขเสื้อกำแล้วพ้นขอ้อกั่มสือว่าตัวมีที่เพิงจ้างเขากรบเจ้างเข้ากรบกเบเสือ้อสือว่าตัวเป็นคนสลดัดก็งัตั้งล้านเชื่อเหมือนจะว่างไหนข่เสื้อกำแล้วพ้นขอ้อกั่มจะว่างได น, ส, นสัตว์ทั้งหลายมาเกิดมาเป็นสหรับเป็นอาหารของคนตัวนะว่ามันเสียนเนาาส้นผากไปเบาหัวงั้นหรอกตัวของ ว่าวเขาข้างตัวว่าสันธวาลทำไมจังมีผู้ถือพระพุทธศาสนาน้อยนะักพระบารมียังอ่อนอยู่คือว่าอย่างไรสน่นนั่นทำไมจึงมีปริญญาน้อยนะักพระยังเรียนกอธรากาขอธนาขาอยู่นั่นคือว่าจยงไรสัอันเดียวกันนั่นแหละน่นนั่นธรรมสั้นสูงยังไม่เอทเห็นอันนี้จังขณะจิตหนึ่งกเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็ไมไปด้วยอันนี้จัง เห็นทุกคณะคิดหนึ่งกูเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยกองทุกข์ทำไมเราอาบน้ําทําไมพระร่างกายมันโสโครกเราปฏิบัติศีลทำทำไมพระจิตใจมันสกครกจริงๆมันมีกิเลสจริงๆถ้าไม่มีกิเลสเราก็ไม่ปฏิบัติเพื่อให้มันบรรเทาหรือเหงาแท้งหายไปมันมีกิเลสจริงๆ ทำไมจึงมีพระนิพานเพราะเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์เก่งๆโรคปวดหลงจึงมีพระนิพานเป็นเครื่องไปนั่นนะพระนี่มูตโตสงสัยอันไหนทำแต่ละวัตระบาดส่งต่อพระนิพานหมดอลยใครเรียนน้โมจบอ๋อบอกขึ้นสูงอลไรได้บานีงพระทหารเรียนน้โมจบน้โมพระรหารหน้โมแปลว่าน้อมน้อมๆไม่มาเกิดแก่เก็บตายเรียกว่าเรียนน้โมจบ พรสวัดิบาลเรียนโมเบื้องต้นไม่ใช่ได้ร่วงะเบิดิน้ไม่ใช่ได้รวงระเบิดระบายมุขดังที่กล่าวมาแล <Yes>, ้วน <insane>. ั <solved medicine> ้นนโมนอบนอนโมต่ากว่านั้นลงมานโมเลขนโมผ้านโมวัตนโมเบอร์ใช่ไหมนันนั่นอยากทุกข์ให้เรีเลขหลายๆอยากคิดหายให้เรีนเลขบ่อยๆเรีนเท่าไรเล็กเล่นน่อยก็คิหายคือกันไม่กนบนั่นนั่นั่น นอกจากใจไม่มีอัะไรจะทําดีให้ใจนอกจากใจไม่มีอัะไรจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทําชั่วให้ใจทําดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทําชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกดินฟ้าอากาศเลยเอาอะไนอออกมาเ น, นี้ยนอคนแตกสารนโมกันไปละ่ะอะคนลก็แตกก็เจิงเลยกติกาปัญญาพ่ะท่านเนี่ยข้อล้มจ่ากระขามทะเลลไไ้มอะไรขามกขามอยู่นี่ ไ่ได้ขามโยบอื่นแน่ขามโยบอื่นขาฉีกตายขามใช้แน่ลงแต่ขามนี่คำว่ามมลงใจกับว่าไม่แน่วลงลงใจมันกับลงแน่ได้โลกไ ม, ไม่แน่วันเนี้ยเที่ยงจักแนวอันแด่มันเที่ยงกับผลเป็นเมื่งขึ้นของพันยาพานเพาะพัญยาพานว่าเป็นหวานเป็นเมือ่อแน่แต่สมมุติเพใครเข้าขใจง่ายชิงได้มเที่ยงกับมารวมกันได้โลกเนี่ยบดชิงได้ทุกข์กับมารวมไดโลกเนี่ยบด ตาเกาะก็ทุกทุกทางกายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทะเลฟังในทะเลฟังรอกลูกเสียงเกินรถโผฏฐพะธรรมาร่มในระหว่างกลางคือโลกโกฏิหลงมันเปนทะเลทะเลฟังพุ่นแม้นตาหูจมูกลิ้นกายจะเแม้นลูกเสียงเกินรถโผฏฐธรรมาร่มทะเลฟังใน คือตาจมูกเล่นกายกคยทะเลฟังนอกอุปมาคือลูกเสียงจิตรผลพระในวางกางมหาสมุทรทะเลเยคือโลกโกตหลงพันวาตัดบันหันทำไรบันหันพันวาโธทีเจ้าทะเลที่ในตาก็เรียกว่าลูปป้าตันหาทะเอที่ยานในลูกโอู้ปป้าัหา เที่ยงเทียงในเสียงสัทธะตัณหาเธอยงเทาธยนในกินข้าหนะตัณหาเที่ยงเที่ยงในรีนโอ้ยแสียมดิเดี๋ยวละสาตัณหาเท่าเที่ยงเที่ยงในผลทพะมากระทบกายยันร่อนอ่อนแข็งเดียวว่าผลทพะตัณหารูปพะตัณหาสัทธะตัณหากันทะตัณหาระสาตัณหาผลทพะตัณหาธรรมะตัณหาตัณหาความทยร์เทียนอยางได้ เชื่อว่าสมุทรไทยเพราะเป็นเหตุให้ตัวเกิด